ฉันเพิ่รู้ยังมีที่ที่หนึ่งซึ่งตัวฉันไม่เคยด้ไปและเป็นโลกที่ฉันไม่เข้าใจมันเป็นโลกของคนรักกันไม่รู้เลยว่าตรงนั้นมันน่าตายังไงถ้าไม่รักใครลยสักคนหนึ่งไมรฉันจึงเจอด้ไปและไม่รู้มันกลรมันไกลยที่ไหนลองไปสักที อยากรู้ในคำตอบนี้แล้วไม่รู้ว่าเธอที่ก็ะรูมไห ม, ไมฉันไม่รู้ว่ารักรักเราต้องไปที่ไหนกันรักเครื่องแรกยิ่งฉันยิ่งมองทาง ทางคือหัวใจเธอคนนี้ฉันคงขึ้นสวันที่วันนี้ยังคงค้นหาอยู่แต่ก็รู้จะเป็นเหมือนกันถ้าเห็นฉันแล้วใจของเธอสั่งแบบที่มันจะบหยุดหายใจถ้าฉันคิดที่จะ I don't know ปลาทางคือหัวใจเธอคนนี้ฉันงคงขึ้นสวรรค์ ฉันไม่รู้ว่ารักรักแล้วต้องไปที่ไหนกันรักเครื่องแบบอย่างฉันยิ่ง คือหัวใจเธอคนนี้ฉันคงคืนสวรรค์